เด็กเล็กคนหนึ่งของครอบครัวซึ่งมีฐานะดีนั่งรถยนต์ไปกับคุณพ่อคุณแม่ผ่านไปที่แห่งหนึ่งเห็นเด็กเล็กยากจนหลายคนนุ่งห่มเสื้อผ้าเกา่าขาดรุงริงอยู่ข้างทางเด็กเล็กในรถยนต์สนใจเพราะเห็นความแตกต่างระหว่างตนกับเด็กข้างถนนเหล่านั้นคุณพ่อคุณแม่สังเกตรู้จึงพูดว่านั่นเจ้าพวกเด็กสโกรก ลูกอยากไปดูมันในกรณีนี้คุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่เหมือนดังป่าปมิรชี้แนะให้เด็กตั้งความคิดที่เป็นอโยนิโสมนสิการเราให้เกิดอากุศลธรรมเช่นความรู้สึกรังเกียดดูถูกเหยียดหยามเป็นต้นและความรู้สึกนี้อาจกลายเป็นทัศนคติของเด็กนั้นต่อคนที่ยากจนตลอดจนความโน้มเอียงที่จะมีท่าทีเช่นนั้นต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไป แต่ในกรณีอย่างเดียวกันนั้นคุณพ่อคุณแม่อีกรายหนึ่งบอกเด็กว่าเด็กๆนั้นน่าสงสารพ่อแม่เขายากจนจึงไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่เราควรเผื่อแผ่ช่วยเหลือเขาในกรณีนี้คุณพ่อคุณแม่ทาหน้าที่อย่างกัญยาณมิตรชี้แนะให้เด็กตั้งความคิดที่เป็นโยนิสมนสิการเราให้เกิดกุศลรธรรมเช่นความรู้สึกเมตตากรุณา และความเสียสละเป็นต้นและความรู้สึกเช่นนั้นอาจกลายเป็นทัศนคติของเด็กนั้นต่อคนยากจนและเพื่อนมนุษย์โดยทั่วไปแม้ในเรื่องอื่นๆเช่นการรับฟังข่าวสารทางสื่อมวลชนเมื่อมีข่าวดีข่าวร้ายเหตุการณ์สร้างสรรหรือทำลายหรือกิจกรรมใดๆก็ตามท่ า, าทีและถ้อยคำที่ผู้ใหญ่แสดงออกต่อสิ่งนั้นมักมีผลต่อการตั้งแนวความคิดของเด็ก ถ้าผู้ใหญ่รู้เข้าใจแล้วชี้แนะแนวความคิดที่ถูกต้องให้มองตามเป็นจริงหรือมองในแง่ที่จะเกิดกุศลธรรมแล้วก็จะเป็นผลดีต่อการเจริญงอกงามของเด็กแม้แต่อาหารที่รับประทานเสื้อผ้าหนังสือเรียนถนนหนทางผู้คนหรือเรื่องราวที่พบเห็นระหว่างทางและที่โรงเรียนเป็นต้นล้วนเป็นที่สาหรับวางใจและตั้งแนวความคิด ที่เป็นกุศลหรืออกุศลได้ทั้งสิน้นการหล่อหลอมทัศนคติและค่านิยมต่างๆของเด็กเกิดขึ้นได้มากจากโยนิโสมนสิการและอะโยนิโสมนสิการที่ชี้แนะโดยกัลยาณมิตรหรือป้าปามิตรอย่างนี้จึงควรถือเป็นเรื่องสำคัญส่วนในผู้ใหญ่เมื่อเข้าใจหลักการนี้แล้วอาจใช้โยนิโสมนสิการแก้ได้แม้แต่ทัศนคติ และจิตนิสัยไม่ดีที่เคยใช้อโยนิโสมนสิการสร้างจนชินมาเป็นเวลานานพึงสังเกตด้วยว่าแม้ในเรื่องราวกรณีเดียวกันและใช้โยนิโสมนสิการด้วยกันแต่โยนิโสมนสิการก็อาจต่างกันได้เป็นคนละอย่างคนละระดับยกตัวอย่างในระดับที่เรียกว่าเป็นสมถะและวิปัสสนาเช่นนกย เห็นหน้าหญิงสาวสวยคนหนึ่งแต่แทนที่จะเห็นเป็นใบหน้าที่สวยงามก็กลับมองเห็นเป็นแผ่นผิวหนังพร้อมทั้งผมขนเป็นต้นที่ปฏิกูลด้วยเหงือ่อมันและฝุ่นละอองเป็นต้นมีกระดูกและเลือดเนื้ออยู่เบื้องหลังไม่ทำให้เกิดความติดใจฝ่รักโยนิโสมนสิการในกรณีนี้เรียกว่าเป็นสมถะในแง่ปฏิกูลมนสิการ รถได้ความรู้สึกว่าเป็นปฏิกูลมาระงับราคะทำให้ใจสงบอยู่ได้ในขอเห็นหน้าหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้นแต่มองเห็นเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ควรเอาใจใส่ดูแลให้เจริญงอกงามเกิดความรู้สึกเมตตานึกเหมือนเป็นน้องหรือลูกหลานกรณีนี้ก็เป็นโยนิโสมนสิการตามแนวสมถะในแง่ เมตตาพรหมวิหารเพราะทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นเป็นกุศลนางสาวงอเห็นหน้าหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้นแต่มองด้วยความรู้สึกที่นึกไปว่าหญิงนั้นสวยเกิดหน้าตนเกิดความรู้สึกริษยาและชักจะช่างหน้ากรณีนี้เป็นอโยนิโสมนานสิการเพราะคิดปลอกเล่าอากุศลธรรมขึ้นมาบีบขันใจ กอทุกทรมานตนเองส่วนในจอเห็นหน้าหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้นแต่มองเห็นเป็นที่ประชุมแห่งองค์อวัยวะอันเกิดจากธาตุต่างๆมาประกอบกันเข้ารวมสมมติเรียกกันว่าหน้าคนชื่อนั้นเป็นเพียงรูปธรรมซึ่งไม่เที่ยงไม่คงที่จะต้องเปลี่ยนแปลง เ, เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่สวยไม่ใช่น่าเกลียดอะไรทั้งนั้น กรณีนี้เป็นโยนิสโสมนสิการแนววิปัสนาเพราะมองตามสภาวะหรือมองตามที่เป็นจริงพึงทราบกันสับสนว่ากรรมฐานบางอย่างที่ให้มองเห็นคนหรืออะไรอะไรเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลไม่สวยไม่งามเรียกว่าอยู่ขั้นสมถะยังมองไปตามสมมติบัญญัติเพียงแต่ถือเอาสมมติแง่ที่จะมาใช้แก้กิเลสของตน ส่วนวิปัสสนามองเห็นตามสภาวะแท้ตรงตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันตามเหตุปัจจัยเรียกว่าตามเป็นจริงที่สิ่งทั้งหลายไม่มีงามหรือไม่งามไม่มีสวยไม่มีน่าเกลียดกรณีอื่นๆพึงเข้าใจตามแนวนี้